ถ้าง่วงเนาะเดิไม่เป็นไรนะถ้าสมมติว่าตีง่วงมากๆไม่ยืนเลยนะยืนได้บางทีก็ออกเดินเดินหลบๆมุมเดินช้าๆฝั่งไปด้วยไม่ผิดนะถือว่าเคาอกด้วยนะนะยืนก็ได้ใช่ไหมอันนี้วิธีแก้ได้เยอะแยะนะแต่ห้ามนอนก็ห้ามห้อการการยืนเนี่ยไม่ถือว่าไม่เคารพเขา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 ถ้าบอกว่าอย่างเราทั้งหลายก็อย่างนี้ย่อจัดวะใช่ไหมไม่เข้าใจขอขยายใหม่ใช่ไหมแล้วก็อย่างเราก็ต้องขอขยายทีนี้ถ้าหากว่าแสดงกล่าวเนื้อความย่อให้พิศดานเขาเรียกว่าอะไรดีถ้ากล่าวมาแล้วครั้งเดียวอีกอย่างวิวัฒนานี่คือการขยายส่วนคําว่าวิพัชนะนี่คือการจําแนกการขยายแล้วกับการจําแนกเอาอย่างไงเขาเรียกว่า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 ไปบมกสังวรศีลพอดีเพราะจารีศีลถือเขาอบรมกายมาดีการอบรมกายมาดีก็าศรัทธานงเขาได้เจ้าไงพ้ามีตถาคตตาโพธิศรัทธาชัดและถูกต้องเขาเจริญพุทธคุณไปแล้วมายุคปัจจุบันนี้พุทธคุณนึกมันไม่ออกเลยเขาเจริญพุทธคุณได้พูดโทรหมดเดียวหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรมาเรียพูดเลยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรใช่ไหม มันมีพวกพิดอะไรไปล้อเลยนหายใจเข้าออกเยออกเข้าเข้าเยอ อ, อกซูเลยยุ่งไปใหญ่เลยทีฉะนั้นที่บอกว่ากุศลจิตตังเนี่ยนะกุกุศลธรรมทั้งหลายเป็นฉไหนสมัยใดายกามมาวาจรสธอถามว่ากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเพราะกล่าวเพียงแค่นี้ยยังไม่ได้ขยายเ้าเรียกบทตั้งบทยอบ่อถ้าท่านจะขยายเนี่ย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 ถ้าเข้าไปประเภทที่แบบตักใหญ่เลยชอบไอตักแล้วดินะในปากยังไม่หมดเลยอีกมือหนึ่งเตรียมตักรอแล้วเช<ะ>ี่ยวเป็นกุศลหรือเป็นโลภเห็น ช, หชัดเลยยังไงเห็นชัดเลยก็คอยจ้องเันกันไว้คอยบางคนเล่นคอยสังเกตมองคนอื่นตัว น, นี้ก็หมายจาร์ตัวนี้ก็ไว้ไว้ท <c oughs> <c oughs> ีเที่ยวหลอกล่อคน อ, อ, อื่นเนี่ยอร่อยนะเชี้ไปที่อื่นก่อนเนี่ยที่ไหนได้ตรงนี้เหลือน้อย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 นอกนั้นก็องค์เก็บเรียบหมดถ้าทําของพระพุทธเจ้านี่นะก็คิดดูว่าถ้าตั้งหัวข้อโดยโดยอด่อเข้าว่ายกตัวอย่างนะภาษานี่นะเอาตั้งว่สสาภาษะถ้าบอกว่าภาษานี่นะจะตั้งยังไงดีวด่าจะหาตัวอย่างตัวอย่างนี้ไม่ได้แต่สมม็ตั้งภาษาเลยนะเอาภาษาขึ้นมาตั้งบอกว่าลักษณะของภาษาใช่ไหม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 เวทนาสิบแปดแล้วที่เกิดในเรานี่เนาะเวทนาสิบแปดใช่ไหมเวทนาที่เป็นภายใน 18, สิบแปดเวทนาที่เป็นภายนอกเป็นเท่าไหร่เวทนาที่เป็นอดีตเท่าไหร่สามสิบหกเวทนาที่เป็นปัจจุบันีเท่าไหร่สามสิบหกเวทนาที่เป็นอนาคตเท่าไหร่รวมเบ็เสร็จเป็นเท่าไหร่ นั่นแหละเวทนาที่ท่านทั้งหลายต้องแบกกันเจ็ปวดัหมล่ะนี่แหละเวทนาขันหนักไหมหนักหัหยเวทนานี่หนักเนาะเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดปัญหาใช่ไหมนั่นเห็นไหมลองสาวขึ้นก บ, บนยด่เวทนานั่นมาจากภาษาภาษามาจากอายตนะอายตนะมาจาก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 อุบาสาิกนใจมีเพราะเป็นปัจจัยมีชาป็นใจมีทรามระนาดูไหมนีาดูไห ม, มความโศกความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความทับแท้ใจาอยเวทนานเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเราจะวิ่งขึ้นข้างบนหรือจะวิ่งไปในอนาคตเหรออัน น, นั้นคือกับดักที่คอยเราอยู่